ใใดโดยท่านวาววิระเมธีศูนย์นิพพานาสากลไรเชิญตะวันเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2559ณนะบริษัทซีพีอลจำกัดมหาชนขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารนะพน้ำปัดนี้ ผู้ชมผู้ใฝ่ธรรมะทุกท่านวันนี้อาตมาไม่ได้มารูปเดียวนิมนต์ลูกเสร็จมาอีกรูปหนึ่งท่านบวชได้หนึ่งพรรษาและนี่ก็กำลังอยู่ในช่วงพรรษาที่สองปีที่แล้วท่านมาบวชตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่า9วัน พบวชแล้วเข้าพรรษามันก็เลยศึกกลางพรรษาไม่ได้ก็เลยอยู่จนหมดพรรษาแล้วท่านก็โชคดีมากพรรษาที่แล้วที่ท่านไปบวชนั้นมีกัลยาณมิตรคือบุตรีเกิดมาคุยไปบวชด้วยแต่ก่อนที่จะบรรยายธรรมอยากจะถามท่านนิดหนึ่งว่าเป็นพระทําไมต้องเทศพวกเรายังจําได้ไหมพระองค์นี้เป็นลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เชียงรายจําได้ไหม เอาล่ะถ้าจำได้เราไม่ต้องอารัมณพระบทนะเราจะเข้าเรื่องเลยทีเดียวก่อนอื่นจะถามท่านก่อนว่าเป็นพระทำไมต้องเทศอ่าจเลนปอน Hello everybody มันมีวันหนึ่งนะเดวส์วันเด ย, ย์ว่าคนนี้อาตาบาลี่จะฉันดข้าวนะักอียิปต์อลละพระอาจารย์ก็ บ, บอกว่า โอ้โหคาเรนี่กินข้าวนักแต่ <c oughs> แกก็เลยบอกว่าดูย you know ูโนควายนี่นะควายกินหญ้ามันก็ไทยนะเป็ดนี่กินข้าวมันก็หวางไทยมานี่กินข้าวมันก็ต้องเผาพะกินข้าวมันก็ต้องเทศ <c oughs> อันนี้เข้าใจหรือยังทำไมต้องาพาท่านมาเทศเพราะว่าองค์นี้ท่านฉันมือเดียวแต่ว่าเวลาฉันนั้นท่านฉันเยอะกว่าเพื่อนอาตมาก็เลยไปบอกท่านว่าฉันเยอะอย่างนี้นะต้องทำงานท่านก็ถามว่าทำไมต้องทาเป็นพระทาไมต้องทาเนี่ยก็เลยเล่าให้ท่านฟังว่าเวลาที่ชาวนาหญ้าไปทอดให้ควายเนี่ก็ไม่ได้ให้กินฟรี ใช่ไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอย่างดีก็ไม่ใช่เลี้ยงเฉยเฉยเช่น<ช>เดียวกันโยมถวายปัจจัยทางรรมให้พระก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้พระอ้วนพีดีงามแล้วก็หลับ <c oughs> พระก็ต้องทำหน้าที่ของพระและหน้าที่ของพระก็คือต้องเทศต้องสอนแลแ้วธรรมาก็ย้ำท่านว่าถ้าอยู่ไม่เทศอยู่นะจะบอกให้เสียชาติเกิด <c oughs> เพราะเป็ดก็เทศมะขามก็เทศมะเขือก็เทศ <c oughs> <c oughs> น ก, กกระเจอบก็เทศ oh. เดี๋ยวนี้ใครๆก็เทศกันทั้งนั้นถ้าพระไม่เทศมันจะเสียชื่อตั้งแต่นั้นมาท่านก็ฝึกเทศฝึกสอนกับอาตมามาโดยตลอดและมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ให้ไปเทศด้วยตัวเองโดยไม่นิมนต์ท่านบอก oh. <laughs> อาตมายังคิดอยู่เอ๊ะฉันตาท่านออกงานแล้วท่านดัง เออเราคิดผิดหรือคิดถูกเ <c> ก <ười> ิ <c ười> <c ười> ดการนิมนต์ลูกศิษย์โดยไม่พ่วงอาจารย์ <c ười> ไม่ธรรมาดาแล้วปีที่แล้วเนี่ยจำได้ดีคุณยมปรางรัฐอุตสาห์ไปจีนมาแล้วก็ไปซื้อลูกประคำจากวัดเศ้าหลินจำได้ไหมถวายท่านแล้วท่านก็ชอบมาก <c ười> นโยมบางคนไม่รู้ก็คิดว่าเอ๊ะพระฝรั่งรูปนี้ไปไหนเนี่ยเอาไส้กรอกข้าไปด้วยห้อยคอไป แล้วก็มีคนชอบมากวันหนึ่งท่านไปนเทุคนเดียวกลับมาเนี่ยลูกประคำหายเจ้าภาพงานชอบมากขอลูกประคำท่านท่านไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยให้ไปนั่นเป็นเหตุให้ปีนี้ลูกประคำท่านหายไปนะเพราะท่านได้รับความนิยมมากอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่านคนก็ชักชอบละตอนนี้ขอลูกประคำอีกหน่อยก็จะมาขอจีวร S 1> <S 1> <S นี่แหละวันนี้เราอยู่ในช่วงใกล้วันแม่เนาะนี่อีกห้าวันจะถึงวันแม่นะและเท่าที่ฟังในนี้แม่เยอะกว่าพ่อนะสังเกตไหมผู้ชายมีกี่คนแม่เยอะมากอีกห้าวันจะถึงวันแม่ธรรมะวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องแม่ แต่ให้รู้ไว้ว่าเวลาที่พูดถึงแม่ก็หมายรวมถึงพ่อเสมอไม่ใช่ว่าวันแม่นี่มีความสำคัญเฉพาะแม่นะแม่จะไม่เป็นแม่ถ้าไม่มีพ่อนะ <c oughs> แต่ว่าเราจะพูดถึงบทบาทของแม่ในวันแม่และบทบาทของพ่อในวันพ่อวันนี้อยากจะพูดถึงแม่โดยผ่านเรื่องราวดีๆสักสองสามเรื่อง ในทางพระพุทธศาสนานี้พ่อกับแม่นั้นพระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นพระอรหันนะเป็นพระอรหันก็เพราะว่ารักและเอ็นดูลูกเหมือนพระอรหรันรักและเอ็นดูสัตวโลกโดยไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชา่างมีจิตใจที่เมตตากรุณาอันบริสุทธิ์ฉะนั้นพ่อและแม่เนี่ยเราจรึงเรียกว่าเป็นพระอรหรัน แต่ก็อย่างที่บอกว่าการเป็นพระอราหันต์ไม่ได้เป็นง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นพระอราหันต์โดยผ่านการเป็นพระหรือจะเป็นพระอราหันต์โดยผ่านการยกย่องอย่างเช่นพ่อกับแม่การเป็นพระอราหันต์จริงๆในฐานะพระรูปหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทางง่ายพระอราหันต์ก็คงจะเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมปีที่แล้วแต่มาภาพไม่ใช่ปีที่แลปีก่อนไปที่พูตาล พระผู้ใหญ่ที่นั่นถามว่าเมืองไทยมีพระกียรูปอตาตม า, าก็ตอบว่าประมาณสามแสนท่านก็อ้โหพระอรหันต์คงมีสักสองแสนมัง้งอาตมาก็ไม่รู้จะไปยังไงก็เลยบอกท่านว่าก็ประมาณนั้นเป็นพระอรหันต์จริงๆในฐานะพระรูปหนึ่งก็งไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นพระอรหันต์โดยการยกย่องของสังคมในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นตัวจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงซึ่งวันนี้ได้นิมนต์มาจากสวิตเซอร์แลนด์ท่านคาร์เดนแลนส์นั้นเมื่อมาอยู่กับอาตมาภาพอาตมาก็โยนหนังสือพุทธประวัติให้ท่านบอกให้อ่านให้เธอรูปลูกโพร เดี๋ยวจะเสียชื่อเวลาคนถามมามาบวชกับท่านวอแล้วได้อะไรบ้างมันจะเสียชื่อเอาท่านก็อ่านพุทธประวัติจนทะลุ ป, ปูปโปรงสามสี่เล่มทั้งภาษาไทยแล้วก็พุทธประวัติที่เขียนโดยฝรั่งอาตมา ก, ก็ให้ท่านศึกษาทั้งหมดแล้ววันหนึ่งท่านก็มาบอกอาตมาว่าขอย้ายลงไปจาําพรรษาใต้ต้นโพ <c oughs> <c oughs> นี่ท่านจำพรรษ า, ตาใต้ต้นโพมาเปรีย ก, กว่าแล้วนะ อาตมาจึงตั้งชื่อท่านว่าพระครูโพธิบานแปลว่าผู้รักษาต้นโพวันหนึ่งอาตมาก็สงสัยมากว่าทําไมไปปักโกรดใต้ต้นโพแล้วไม่ได้ปักโกรธธรรมดานะไดจริตอธิษฐานว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่ยายฝนตกก็เปียกเมลกมาเลยก็นั่งอยู่อย่างนั้นล่ะวันหนึ่งอาตมาก็เลยถามว่าทําไมอยู่ชอบอยู่ใต้ต้นโพท่านก็บอกว่า ก็นี่ไงไออ่านพุทธประวัติแล้วเนี่ย mm hmm. เห็นว่าเดลอดบุธาตรัสรู้ใต้ต้นโพ mm hmm. <laughs> ก็เลยคิดว่าไปจำภาษาใต้ต้นโพเนี่ยตื่นมาสักวันคงตรัสรู้ mm hmm. <laughs> แล้วก็มีแนวโน้มอย่างนั้นจริงๆนะท่านคิดว่าท่านน่าจะได้ตรัสรู้แล้วเพราะมีวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับท่านเราให้ยมฟังตอนนั้นท่านคิดว่าท่านน้องๆ อ, ง อ, งอรหันนะ แต่ว่าสมองเด็กมีวันหนึ่งว่าที่ two was married hearing ่ะตอนนั่งสมาธิไปได้สองชั่วโมง two hours after that เราก็รู้สึกเพราะตอนนั้นนั่งสมาธิมันรู้สึกเหมือนจะเพาะกับบนสามอยหกสา so I was thinking โ oh, อ้โหอันนี้คือว่าน่าจะคือว่า awakened b o n e ก็ขึ้นในใจตอนติดตื่มาก็ใบไม้ก็ร่วงตอนตีเข้าข้องหน้าเราก็ขึ้นในใจนี้แหละชีวิตของผู้ตักสรุปธรรมเดินเข้าหองน้ามันก็จะมีใบไม้ล่ลงมาเมือเราเดิน it's like a pathway เดินกลับมามันก็เย็นลมก็พัดโอ้โหอ๋อหอมกจะรับก็ขึ้นในใจนี่แหละชีวิตคนตักสรุปธรรม And then the next morning ตื่นมาลับสบายตื่นขึ้นมานกมันก็จี๊จี๊จี๊แดดมันก็ซองเย็นสบายแล้วเราก็คิดในใจไอ้นี่แหละนี่ชีวิตคนต่างสันนิษฐ <laughs> เป็นอย่างนี้เอง <laughs> แล้วอยู่จูๆ่ๆจะลดจะเล There was suddenly something at my leg ตรงขา เป็นรู้สึอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ดูเราก็มองลงไปเราก็เห็นเอ้าก็มีสักอย่าง There is nothing. t o จู there was an a feeling. So I looked down again มันก็จะมีขาสีดตดำขาประมาณนี้นี่ตขึ้นมาติบแล้วก็มองเอ้า What is this? อีกขึงนีปก็ขายอันนีติบ อีกขาหนึ่งตึบอยู่ในีมันก็ยืดตัวขึ้นมา ก, ก็ปรากฏว่าเป็นสไปเดอร์แมนใหญ่ขนาดนี <c> ้ <oughs> โอ้โหแมงมุมตัวกำปั้นโผล่ออกมาจากในโปรงผ้าของท่านเพราะท่านนอนนั่งสมาธิใช่ไหมทั้งคืนไงนั่งสมาธิทั้งคืนแล้วมันมันก็หน้าหนาวมากตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย คือตั้งจริงจริงๆตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนแล้วที่ท่านคิดว่าท่านบนรรลุธรรมท่านคิดว่าท่านไปไปอีกระดับหนึ่งล้วบรรลุธรรมแล้วนะคืออากาศก็เย็นสบายลมพัดรำเพยมาต้องผิวกายท่านท่านรู้สึกสดชื่นเดินไปก็ห้องน้ําก็เหมือนเท้ามันจะลอยบนพื้นตื่นมาตีห้าในเสียงนกร้องจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บโอโหท่านคิดว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจัดสรรเพื่อโอยพรสำหรับคนที่บรรลุธรรมแล้วท่านไดแล้วท้านก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างนุ่มๆนุ่มๆอยู่ที่ขาอ่อนท่า น, Hungarian น, น <c oughs> ก็เลยก็เลยชเวิร์กจีวรขึ้นมาดูแม่งมุมยักตัวเท่ากำปั้นแยงขาออกมาโชว์ให้ท่านเห็นเต็มๆแล้วในทีนั้นพระอรหันต์นมของเรา จากที่คิดว่าบรรลุทำแต่เมื่อคืนแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นตอนเห็นแมงมุมยักษ์มาอยู่เป็นที่เลยวิ่งผู้ขี้เป็นจอเลยไอรันนั่งเวีลังกาด้วยสะบองนี่สะบองยู่บนหัวเลยเจ้าหัวไม่เลียววิ่งไปไหน วิ่งรอบโอ้วนวนวนกั๊กระโดดลงโอ้ผมไม่สนใจอะไรเลยวิ่งอย่างเดียวปั๊ดอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวปั๊ดอย่างเดียวมะดีแล้วไม่มีใครอยู่อยู่ตงัอ่ะเพราะตอนนั้นคนคนจะซื้อเลขศูนย์หนึ่งศูเพราะว่าตอนวิ่งหนีแมงมุมยักษ์อะยมสะบงมันกองอยู่กับพื้น ไปแต่ตัวไปแต่ตัวล่อนจนคนงานก่อสร้างกําลังสร้างวิหารหลวงอยู่กําลังหลับอยู่ในเต็นต์วิ่งออกมาดูแล้วท่านก็เก๊ะเก๊กลงกลแล้วบุญก็กองอยู่ที่ปืนพร้อมกับแมงมุมยักษ์แล้วสายๆวันนั้นท่านก็มาสารภาพกับอาตมา เล่าว่าตอนแรกคิดว่าบรรลุธรรมตอนสี่ทุ่มแล้วแล้วท่านตั้งใจเลยนะว่าก่อนฉันเช้าวันนี้ต้องมารายงานผลว่าถึงแม้จะบวชทีหลังท่านวอดตั้งยี่สิบกว่าปีแต่ว่าจิตใจไปไกลแล้ว <c oughs> ท่านท่านคุยด้วยนะคือเตรียมมาเกทับอัตมาเลยว่าอาจารย์เรายังไม่ถึงไหนเลย เพราะผลของการจำรัดใต้ต้นโพนี่แหละอันนั้มายถึว่าเทวดาอารักษ์คงจะมาเตือนท่านว่าอยู่ยังไม่ถึงไหนหรอก <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอรหันต์มันไม่ได้เป็นกันง่ายๆอย่างนั้น <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นการเป็นอรหันต์ไม่ง่ายนะแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งความฝันนะท่านมีความฝันว่าในชีวิตนี้ก่อนกลับสวิตเซอร์แลนด์จะต้อง ได้อะไรสักอย่างหนึ่งตรงระดับหนึ่งท่านคิดอย่างงั้นอาตมาก็เลยบอกท่านว่าตอนที่ท่านมารายงานอาตมาว่าคิดว่าบรรลุทำไปแล้วแต่ตอนเช้ามาเนี่ยพอเจอแมงมุมยักษ์แล้ววิ่งหนีอาตมาเลยบอกว่าอยู่ควรจะรู้ไว้ถ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงๆไม่มีความกลัวแล้วถ้ากลัวขนาดเนี้ย <laughs> เป็นคนยังไม่ได้เลย ใช่ไหมเป็นคนปกติยังไม่ได้เลยกลัวกลัวบ้าบอคอแต่อะไรวิ่งหนีสมบงก็ไม่เอา <c oughs> นะมีอีกตอนหนึ่งตอนนั้นท่านก็ปฏิบัติเข้มหลักสูตรเข้มคือพระบทใหม่ที่ไปบวชได้เชิญตะวันนี้จะต้องมีช่วงเข้มอยู่สองสามช่วงช่วงหนึ่งคือต้องไปทุ่ดดงต้องฝึกทุดดงจริงๆไม่สวมรองเท้า และไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่ตามาลจะจัดให้องนี้ปีที่แล้วเนี่ยได้ทุ่ดดองเชิงของข้ามไปประเทศลาวแล้วก็กลับมาก็มานอนป่าช้าแล้วก่อนออกพรรษาก็ปิดวาจาเข้มตามหลักก็ต้องเจ็ดวันอันนี้ท่านยังเด็กมากแค่ยี่สิบต้นต้นกลัวท่านจะเข็ดเลยบอกท่านว่าเอาแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็พอปิดวาจาเข้ม ห้ามเยี่ยมห้ามประกันเอาเชือกวงล้อมในรัศมีสามกิโลเมตรห้ามใครไปเยี่ยมและฉันมือเดียวและนั่นเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งท่านคิดว่าจิตของท่านได้บรรลุสภาวะธรรมสำคัญ <c oughs> <c oughs> ท่านก็คิดว่าท่านบนรรลุเหมือนกัน <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อย <c oughs> ต, อตอนที่ฝึกในสวนยางพอนี้ตอนนั้นมีบูดี้มี ถ้าจารย์สากรสันทัด and me แล้วเราก็นั่งสมาธิทุกองค์แล้วอยู่ดีๆก็มีบุรี walking meditation ยโลกลยโลกนล้อโยกน้อเราก็คิดในใจอันนี้กระจก <c oughs> <c oughs> this is nothing เราไม่มาคำเอามา เม็ดประคำใหญ่ๆมานั่งสมาธิก็เลยนั่งอยู่ปืนต้นยาง under the rubber tree นะ <c oughs> and when when I was meditating ก็นั่งไปตั้งแต่หกโมงฉันเช้าก็ไม่ได้ฉันเสียงก็ไม่ได้ยินคนอื่นฉันข้าวกันแล้วเราไม่ได้ฉันสักหน่อยเลยตั้งตั้งแต่หกโมงเย็นของวันนึง นั่งข้ามวันข้ามคืนจนถึงหกโมงเช้าก็ควรที่ท่านจะคิดว่าท่านจะได้บรรลุอะไรนะไม่ได้ฉันเช้าไม่ได้ฉันเช้าเลยทำไมอ่ะไม่ได้ยินคือไม่มีใครไปบอกท่านตอนฉันเช้าเพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าคนที่เอาเข้าไปประเคนก็ห้ามพูด เอาข้าไปถึงก็จะไปวางไว้จุดหนึ่งแล้วแล้วแต่พระจะมาตักฉันเองและ ว, วุ ด, ดีเนี่ยก็ฉันรูปเดียวส่วนกาเรนรอมาได้แต่เมื่อวานตอนนี้เขาฉันเช้ากับท่านไม่ได้ยินเพราะไม่มีใครเรียกและ ว, วุฒีก็ฉันด้บาทในความเงียบท่านก็เลยนั่งต่อไปแล้วพอจิตมันสงบข้ามวันข้ามคืนอย่างนั้นแหละเป็นช่วงที่สำคัญมากเกิดอะไรขึ้น เพราะว่า when I was sitting there suddenly there was a sound มีเสียงขึ้นเราก็จะได้ยินเสียงเสียงเราก็ขึ้นในใจว่าคืออะไรนี่อยู่ใ น, นมันก็มีเสียง <c ười> ใกล้ๆงูแล้วนี่รีเนี่ยเราก็ขึ้นในใจเอาละ อันนี้กับมือพระพุทธเจ้าลูกหนึ่งทีแกนั่งสมาธิแอะมันจะมีผีเฮวาาอะไรพวกนี้อยู่คุ้มแกจะเข้าไปใน ห, หูแกแล้วก็ขึ้นในใจเอาละ่ะเราถึงขั้นนั้นแล้ว <c oughs> ท่านการ์เดนคิดถึงฉาก <c oughs> พระพุทธเจ้าก่อนตัสรู้่ตอนเป็นพระโพธิสัตว์หน้าที่สุดท้ายกําลังผจญมาร <c oughs> ท่านคิดว่าท่านอยู่ในสภาวะนั้นแล้ว <c oughs> มานมาแล้วแต่มันจะเป็นชนิดไหนเดี๋ยวมาเฉลยกันอยากสู้เหมือนทหอรของพระพุทธเจ้าตีเขาโอ้มันเท่จริงๆแลวก็ขึ้นในใจ I can do it too ก็เลยอดทนไว้ไม่เปิดตานั่งนั่งสมาธิไปเรื่อยๆโอ้ก็ข้ในใจ What is this Deer w a k away, deer walk away. y e it goes into my e y e Oh o we a r o i n g a r e d I am really afraid. And suddenly, it has singing, l e o n g my f a e licking my face. Oh ho, and I was smelling the taste of the saliva. ได้กินน้ำลายของสิ่งนี้โอ้เมนขนาดนั้นเหมือนไปดมอะไรเง่าๆตายตาแล้วเราก็ฟังโยมคนหนึ่งเรียกเซฟเซฟโดนโกมาเนี afe, ่ยเขาเฮีย <c oughs> ปรากฏว่าเป็นมาสัยพิเรียน <c oughs> ชื่อเซฟ ที่ราชตาวันมีหมาหลายตัวแล้วจะมีตัวหนึ่งตัวสูงเท่าบัานเอลเนี่ยเป็นหมาพันไซบีเรียนมันตัวใหญ่มากแล้วคนส่วนใหญ่ไม่กล้าไปยุ่งเขาหรอกกลัวแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าพระคารินกำลังฝึกสมาธิเข้มไ <c oughs> อ้เจ้าเซฟไซบีเรีย น, นมันก็เดินย่างสามคมเข้าไปเหยียบไปมาให้สับสาบสับสามสับสา แล้วก็หายใจใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาส่วนพระรูปหนึ่งก็คิดว่าเราใกล้บรรลุล้ <c oughs> พระรูปนี้ก็ตั้งใจว่าเอาละงานนี้ได้สู้กันแน่ <c oughs> เพราะว่าอะไร <c oughs> ก่อนที่พระพุทธศาสนสรู้จําได้ไหมพระยามารม า, มาแล้วท่านนก็ดูละครพุทธประวัติถึงตรงนี้แหละท่านคิดว่าคนเราจะบรรลุมันก็ต้องผ่านช่วงนี้ <c oughs> แล้วพอเสียงมันหายใจใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเนี่ย ที่ทำให้ท่านต้องเปิดตาก็เพราะว่ามันเลียพรับเต็มหน้าไหมเลียปากด้วยหรืเปล่าจูปาก้วยนั่นแหละพอท่านลืมตามาท่านถึงได้รู้ว่าอ๋อหมาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจามาสังเกตนะเวลาท่านเข้าใจผิดเมื่อไหร่นะจะมีบางสิ่งบางอย่างมาแก้ความเข้าใจผิดท่านทันที ก็เหมือนเวลาที่เราอ่านประวัติของพ่อแม่ครูบาจารย์เนาะถ้าสินพร่องเมื่อไหร่ก็เจอละจำได้ไหมเดี๋ยวงูมาเดี๋ยวเสือมาเดี๋ยวช้างมาถ้าพร่องเมื่อไหร่เจอทุกครั้งสมัยที่ตมาไปทุ ด, ดงก็20ยี่สิบปีที่แล้วละไปทุดงแล้วดดลเพื่อนรูปหนึ่งเนี่ยฉันเสร็จแล้วเก็บทั่วลิสงไว้นในบาตร แค่ตัวนลี้สงสิบเมตรนะคืนนั้นท่านนั่งสมาธิไม่ได้ทั้งคืนวพราท่านรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาเลือ้อรอบตดท่านสุดท้ายก็เดินมาหาธรรมาบอกขอจำวัดไว้สิอรรมาบอกเออมีอย่างที่ไหนพระทุก ด, ดวงนอนด้วยกันสอง <c oughs> ด, ดูงโกรธใครโกรดมันดิ <c oughs> ท่านบอกว่าไม่ได้ ผมนั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมาลื้อรอบกดผมเอาไฟฉายส่องก็ไม่มีแต่เสียงมันมีตลอดอตาตมาก็บอกอ่างนั้นเดี๋ยวผมไปดูให้อตาตมาก็เลยรวบกดท่านขึ้นมาไหนรือพระปูนั่งสิมีอะไรหรือผ้าปูนั่งไม่มีท่านฉันเสร็จแล้วล้างบาหรือเปล่าล้าง บาทอยู่ไหนอยู่ข้างนอกวางอยู่ที่ตอนั่นไปดูซิมีอะไรในบาทท่านก็เอาบาตมาให้เามาดูปรากฏว่ามีถั่วลิสงท่านเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ก็เผื่อมันหิงเห็นเวลาที่เราอยู่ป่าอยู่ดงนี้ถ้าศีลพร่องเมื่อไรแล้วก็จะมีปาฏิหาริ์เมื่อนั้น เอาละปาฏิหารจะมาจากอะไรเราไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่แต่พระทูดองทั้งหลายพระนักปฏิบัติทั้งหลายนีย่ท่านรู้ตรงกันว่าที่พึ่งหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเราเวลาที่เราไปอยู่ป่าอยู่ดงนั้นไม่มีอะไรนอกจากศีลถ้าศีลบริสุทธิ์การปฏิบัติราบรื้นทุกอย่างไปอ่านประวัติเถอะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาหลวงปู่แวนนี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟ้า น, นี่ท่านเล่าเลยว่าถ้าศีลบริสุทธิ์การปฏิบัติจเจริญ ถ้าสินไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวเจอเรื่องนั้นเดี๋ยวเจอเรื่องนี้พระทุกดงหลายรูปนะถูกสิงสารสัตว์ไล่ตะเพิดออกจากป่าถูกช้างไล่เหยียบก็มีอันนี้ถ้าอธิบายผ่านลกกระท์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าเนี่ยท่านบอกว่าเพราะสินพร่องแต่ท่านคาเรีนนั้นคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเป็นเรื่องตื้นๆธรรมดานี่แหละหมาเดินมาแล้วไม่ยอมลืมตาเอง ถ้า ล, ลืมตาจบไหมจบแล้วหมาเขาก็ไม่รู้แต่บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าท่านเป็นพระฝรั่งแล้วหมาฝรั่งมันอยากคุยกันนะแต่จากสองบทเรียนนี้ก็เป็นการเตือนเตือนว่าการเป็นพระอริยบุคคลนั้นไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนมขัน้นมันมีตอนของมัน ต้องค่อยๆฝึกฝนอบรมไปทีละนิดทีละเนิดเหมือนกับพระใหม่รูปหนึ่งซึ่งเมื่อบวชแล้วนี่ก็อยากปฏิบัติเข้มจึงขอลาเจ้าวาดไปปฏิบัติที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ท่านคารเดเล่านะเป็นพระใหม่เหมือนกัน <c oughs> ลาไปอยู่เกาะเดวิสันบ in ออนอินเด e w เทม e b e c <oughs> a ี e new น r ร a i n ม่ ก็เป็นพระกำลังบวชใหม่อยู่วัดแล้ว when he was at the temple he didn't like it แกก็เคยชอบตัวเอเพราะว่ามันไม่ได้ปฏิบัติอุ้งง่ายมันก็เหมือนพุทธาพาณิชแกก็เลยบอคิดในใจมันบอกมว่วไม่ได้มาบวชเพราะว่าอันนี้ <c oughs> so he asked the abbot เจ้า I ask you if I could <c oughs> meditate in the forest in a cave u a r t e r เจ้าวาจะไปปฏิบัติในถ้ำเจ้าว่าก็บอกว่าโอเคหมแยกการอยู่ดีแล้วกินข้าววันถ้ำคนละแล้วองนั่นก็ไปเอาลูกซิทพาลูกซิทไปไปพายเนือไปเกาะ อ, อ, อีกฟังหนึ่งแล้วตอนที่ถึงเกาะนั่นแกก็เลย start to meditate รู้ทุกวิรียาบท <c oughs> เวลานั่งสมาธิเดินสมาธิก็รู้สายอย่างเนาะ มาอย่างเนาะเหยียบเศษแก้วเนาะดึงออกเนาะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเล่น a ฟ e b o o กก็รู้ตื่นเนาะลื่นเนาะไหลเนาะรู้ทุกวิดีโอผมฝึกเข้มอย่างนั้นแหละบนเกาะรูปเดียวจนผ่านไปสามปีพระรูปนี้ก็คิดว่าท่าน สภาวะจิตก็คงจะบรรลุธรรมระดับสูงมากเหมือนกันเลย So he wanted to write a letter to his average. s a b i t อยากเขียนจดหมายเขียนฮัจ้าว่าโชฟีมือ How good he is. So he write down um, a poem. A young conscientious monk. Meditating three years alone can no longer be moved by the four worldly winds. ต้องแปลไหมอ้าวนึกว่ารู้แล้วเอ็เงียบดคิดว่าึน่ก็กวีี่นอังกฤษอีกครั้งนึง A young conscientious monk. Meditating three years alone can no longer ม e ดเทิงสามปีเอ e i n ้ s ท่านหนุ่มผู้รุ่มลึกเฝ้าฝึกมาสามปีจิตสงบเป็นกรมณีลมทั้งสี่ไม่อาจโยกคลอนท่านเขียนถึงอาจารย์ของท่านนะเป็นกวีนิพนธ์สี่บรรทัดนี้เพราะท่านเชื่อมันว่า ทัานดีที่เจ้าอาวาสเห็นกเวนิผลนี้เจ้าวัดจะรู้เองว่าลูกศิษย์คนนี้ระดับไหนคนมบรรลุมันมักจะอยากบอกกันนะมันจะอยากบอ ก, นะอ ก, บอกแล้วก็ให้ลูกศิษย์พายเรือเอาไปส่งให้เจ้าอาวาสที่วัดในเมืองแล้วพระหนุ่มรูปนั้นก็เฝ้ารอฟังผลอยู่ที่เกาะแล้วผลเป็นไงเจ้าอาวาส He got the letter. But Everett, in the n o t o Everett, h a t that, that, so he read. Oh, young conscientious monk, maritating three years alone, can no longer be moved by the forward l v e n t s Oh ho, oh, pa omni, what ธรรมดานี่ ไอ้นี่บวชมาสามิกว่าปียังกว่าหันจะบรรลุธรรมเลย Still not enlightened นี่มาอยู่ก็ only three years บรรลุธรรมแล้วโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยจะวาดปรคิดในใจลองของสักหน่อย <c oughs> So he write down on every sentence <c oughs> เขียนทุกบรรทัดแกก็เขียนลงไปป สิงตคำแรกแกก็เขียนลงไปปาคำสองแกก็เขียนลงไปปาคำที่สามก็ปาสี่ก็ปาเขียนใหญ่มากปานี่แกอ่านลูกศิษย์ก็พายเรือไปหาพระองค์นั่นพระองค์นั่นก็โอ้โหดีใจขนาดนั้น was so excited ตบมือรอทดหมายนี้ แล้วได้จดหมายแกกบแกะอ he opened the letter แกก็เปิดพอป๊โอ๊ยมันเป็นได้ยังไงคุณกล้ายังไง how can you write something like this to me ฉันนี่เป็นคนพูดตักรู้ทมเขียนหาผมนี่อย่างนี้ไม่ดี so he was really angry ก็เอาลูกศิษย์นั้นพาไปเหนือไปหาวัดนั้น เขาก็บอกว่ารีบๆผมรีบนี่แกก็พีถ่ายเรือเร็วๆแล้วพระองนั้นก็เลยอดไม่ไหว he couldn't wait so he used his hands ถ so <k au> ่ายเรมันเร็วขึ้นอีกแล้วถึงว t make him ก a u อ h ก i didn't reach the island he jumped out of the boat ไม่ถึงเกอะสกกำยังกะโดนออกแล้ว กระโดดเอาไว้ลุ oui, ie, ้งไปหาเจ้าวาดเตะประตูทุกประตูตีเห็นแ้งแบงแบงบังโอ้โห he was really angry โมโหขนาดแล้วถึงต <c Hack bare fatto> ีเจ <are you> <ambling> <c oughs> ้าวาดนั่นอาจจะต้องแปลขั้นรายการนิดนึงก็เห็นโยมหลายคนงงจับได้ไหมคือเจ้าพระหนุ่มเนี่ย ส่งจดหมายที่เต็มไปได้วยปริศนาธรรมที่ลุ่มลึกใช่ไหมสีบ่บรรทัดพระนุ่มผู้ลุ่มลึกเฝ้าฝึกมาสามปีจิตสงบปเป็นกรรมนีลมทั้งสี่ไม่อาจโยคลอนความหวังของท่านคือถ้าจเจ้าวาดได้อ่านก็จะรู้เองก็จะรู้เองว่าลูกศิษย์คนนี้ได้บรรลุธรรมระดับสูงเพราะกำว่าลมทั้งสี่ไม่อาจโยคลอนนั้นหมายถึงว่าคนคนนั้นต้องเป็นพระอรหันต์ ในมงคลละสูตรมงคลละสูตรหรือมงคลสามสิบแปดนั้นคาถาสุดทฐานนั้นพระพุทธองค์พูดไว้ชัดเลยพระอระหันต์นั้นต้องเป็นผู้ที่จิตไม่วันไหวด้วยโลกธรรมถ้ายังวันไหวด้วยโลกธรรมไม่ใช่พระอระหรันต์ถาหนุ่มก็เลยเขียนเป็นปริศนาธรรมว่าพระหนุ่มผู้รุ่มเลือกเนี่เฝ้าฝึกมาสามปีจิตสงบเป็นกรมณีลมทั้งสี่ไม่อ่านโยกคลอน ท่านคิดว่าพอจะเอาวาสได้อ่านอย่างนี้ก็จะรู้เองว่าศิษย์คนนี้ฝึกมาสามปีตอนนี้ได้เป็นอรหันต์อยู่บนเกาะน้อยแล้วและสิ่งที่พระอรหันต์น้อยนี้รออยู่ก็คือพอท่านอ่านเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตอบกลับมาคือจะแต่งตั้งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่สารที่ส่งกลับมานั้นกลายเป็นเป็นปริศนาธรรมเหมือนกัน เป็นเสียงพายลมพอท่านได้อ่านนะท่านโกรธมากกระโดดลงเรือแล้วก็พายเองด้วยให้ลูกศิษย์ช่วยภายด้วยข้ามฝากมามาถึงกอยเรือยังไม่ทันจอดเลวกระโดดขึ้นเร็มตลิ่งเองเลยพอไปถึงหลวงพ่อเจ้าวาดกำลังสวดมนต์อยู่นะพระหนุ่มซึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอราหันต์ลมทั้งสี่ไม่อาจโยกคลอดอิฐแล้วเพราะจิตใจจิตใจนิ่งมาก ลมนักสีไม่อาจโยคลอนนั้นคือนิ่งมากนะโยมนะก็ใช้ดาวน์นที่ประตูพังเขาไปยืนอย่างก้าอยู่ต่อนหน้าเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสหันมาถามว่า <c oughs> The Abbot said n ี่แห This is what you call the unmovable monk <c oughs> องค์นี้ใช่มั้ยพระที่ลมทั้งสีไม่อาจทำให้วันไหว <g ülme> Only four little farts แล้วนี่ฉันเขียนเสียงผายลมไปสี่ครั้งเองแล้วนี่กระเด็นมาถึงนี่เหรอ <laughs> นี่หรือลมทั้งสี่ไม่อาจยกอคลอน <laughs> และใครมายืนอยู่หน้าฉันเนี่ย <laughs> ใครข้ามเกาะมานี่หรือพระนุ่มพุรุ่มลึก <laughs> ซึ่งไม่หวั่นไหวอีกแล้วตอบฉันดีสิ อาการอย่างนี้เขาเรียกว่าวันไหวไหมท่านหนุ่มว่างไงรู้สึกตั ว, วอะไรตอนนั้นยมทั้งหลายเข้าใจไหมลมทั้งสี่อะไรคือลมทั้งสี่โฟ์วิ ล, ลิ่ส์อะไรคือลมทั้งสี่อลองตอบให้ท่านคาร์เนได้ชื่นใจสิ เราต้องรู้แหละมันมีสี่นะโลกกดหลงมันมีสามนะรักโลกกดหลงมันมีสี่แต่มันก็ไม่ใช่ <c oughs> อย่าคิดว่าสี่แล้วใช่หมดนะ <c oughs> อะไรเอ่ยโลกกระทําใช่ไหม <c oughs> อ่าไฟดีสี่ไฟเสีย สี่ก็เป็นแปมีอะไรบ้างลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาสุขทุกข์ขอภาษาอังกฤษหน่อย gain loss <c> honor dishonor praise blame happiness <oughs> suffering ลาเสื่อมลาอะแปล ลาภคู่กับเสื่อมลาภ gain and loss ยศคู่กับเสื่อมยศ honor dishonor <this> สนเสริญคู่กับนินทา praise blame สุขคู่กับทุกข์ happiness suffering แล้วพระ mm hmm. นุ่มผู้ร่มลึกของเรา <laughs> วันไหวไหม <laughs> ถึงขั้นว่าถึงขั้นว่าให้ลูกศิษย์ายเรือเองไม่ไหวอะ สองมือสองมือช้เองเลยแล้วเรือจะจอดอยู่แล้วนะรอให้เรือจอดได้ไห ม, ไมไกระโดดขึ้นฝั่งเลย <c oughs> ประตูเนี่ยเปิดด้วยมือได้ไหม <c oughs> แล้วท่านทํำยังไง <c oughs> ทีปเลยแล้วก็ไปยืนมองจเจ้าววัดว้าหลวงพ่อหลวงพ่อทํากับผมได้ยังไงหลวงพ่อก็ได้อ่านไม่ชื่อรุกวีนิพนธ์ที่ผมส่งมา หลวงพ่อพก็เลยถามว่าอ๋องนี้เองหรือเป็นเจ้าของข้อเขียนที่บอกว่าลมทั้งสี่ม่อาจโยคลอนก็โทษเถอะเนี่ยเขียนไปสี่บรรทัดมาถึงนี่เลยเอ็นไหมฉะนั้นเรื่องนี้ก็สะท้อนว่าการเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่ง่ายนะทางง่ายนั้นอรหันต์จากการแต่งตั้งลูกศิษย์เห็นว่าครูบาอาจารย์เข้าค้าวแล้วก็ ช่วยกันสถาปนาจากนี้ไปถ้ามีใครมาบอกว่าเป็นพระอรหันเอาแมงมุมโยนใส่ก็รู้ใช่ไหมเพราะหลักกว้างและหลักพื้นฐานของการเป็นอริยบุคคลต้องไม่กลัวพระอรหันนั้นมีคุณลักษณะอย่างน้อยสามอย่างหนึ่งราคัคคโย สโทสักยโยสามโมหัขยโยอ่ะแปลราคาขยโยคือสิ้นราคะโทสักขยโยคือสิ้นโทสะโมหัขยโยคือสิ้นโมหะพูดสั้นๆว่าสิ้นแล้วซึ่งโลภโกรธหลงหมดแล้วความโลภความโกรธความหลงเนะี่ยฉะนั้นถ้ายังกลัวผีอยู่นะ กลัวแมงมุมอยู่กลัวงูอยู่ก็อยู่ห่างกันหลายปีแสนหลายโยมเลยใช่ไหมฉะนั้นวิธีีธีิสูตพระอรหันต์ก็ไม่ยากนะในครั้งพุทธกาลนานมาแล้วมีพระมหาเถร้รูปหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่สอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นหมื่นองค์ลูกศิษย์หลายรูปหลายองค์ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วตัวท่านเองก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นอรหันต์ด้วย อยู่มาอย่างนั้นจนหกสิบพรรษาเข้าใจผิดว่าตัวเองนั้นเป็นอรหันต์อยู่มาวันหนึ่งสมามเณรน้อยรูปหนึ่งมาเรียนกรรมฐ า, านกับท่านนะไม่ใช่สามเณร น, น้อยเป็นพระลูกศิษย์นะถ้าจำไม่ผิดเป็นพระลูกศิษย์มาเรียนกับท่านแล้วก็บรรลุธรรมก่อนครูบาอาจารย์พอบรรลุธรรมแล้วก็เข้าสมาธิย้อนระลึกดูว่าครูบาอาจารย์อยู่ระดับไหนจึงได้รู้ว่าครูบาอาจารย์นั้นเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์มาหกสิปีแล้ว จิตสงบเหมือนเห็นทับย่ากิเลสหลบในสิทธิ์อยากจะโปรดอาจารย์ให้หูตาสว่างสวัยจึงย้อนกลับไปที่สำนักเนรมิตรตนเองเป็นพระยาช้างวิ่งเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ซึ่งนิ่งสงบมาเกือบห0สิปีพอเห็นพระยาช้างวิ่งเข้ามาจะชนเท่านั้นเองตเตลเิดเบิดเบิงวิ่งหนีขึ้นกุฏิลูกศิทธิ์ก็เลยถามว่าอาจารย์พระอรหันต์ยังกลัวอยู่หรือ ท่านก็สะดุ้งเลยตื่นจากความหลงห่ผมผ้านั่งกระยงประนมมือต่อหน้าลูกเสร็จว่าลูกเอ๋ยพ่อผิดไปแล้วพ่อหลงเข้าใจผิดมาตลอดว่าจิตของพ่อนั้นอยู่ในสภาวัธรรมระดับสูงในเมื่อลูกรู้แล้วลูกก็ช่วยพ่อด้วยเถิสิทธิ์ก็กลับมาโปรดอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เตือนพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ว่าจะได้ตื่นตระนกไปกับการที่ใครก็ตามสถาปนาตัวเองเป็นอะิบุคคลกันอย่างง่ายง่ายเพราะถ้าเราเชื่อง่ายอย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดวิกฤตศรัทธาในหมู่ชาวพุทธเองสองสามปีเราก็จะตื่นอรหันต์ครั้งหนึ่งพอความลับแตกโปเราก็ไปหาองค์ใหม่ <laughs> เมื่อไรจะเข็ดไม่เคยเข็ดเลย พระที่เป็นพระอรหันต์จริงๆนั้นท่านหมดกิเลส ท, ที่จะอวดตัวเองแล้วและดังนั้นเมื่อท่านถึงจุดสูงสุดท่านก็กลับเป็นพระธรรมดายครั้งหนึ่งนะจึงมีคากล่าวว่าสูงสุดจะคืนสู่สามัญไงเพราะอะไรเพราะเมื่อถึงสูงสุดแล้วอีโก้หรืออัตตาที่อยากจะอวดตัวเองนั้นมันหายไปหมดฉะนั้นต่อให้ลูกศิษย์มายกท่านก็จะห้ามลูกศิษย์เพราะอะไรเพราะมันไม่ถูกต้องไงฉะนั้นถ้าลูกศิษย์มายกแล้วไม่ห้ามเออ อ, อไปด้วยกันก็พอๆกัน นี่นแหละก็พบราการทั้งครูทั้งศิษย์นั่นแหละฉะนั้นครูที่ดีนั้นถ้าตัวเองยังไม่มีสภาวธรรมขั้นสูงแต่ลูกศิษย์มายกครูที่ดีจะต้องปรามลูกศิษย์ทันทีว่าอย่าพูดเช่นนั้นเพราะนั่นคือหนทางของความหลงทั้งศิษย์ทั้งครูเราต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นพระองค์ทรงระวังเสมอที่จะไม่ให้พระนั้นแสดงออกซึ่งอุตตริมนุษยธรรมเพราะอะไรเพราะว่าการทําเช่นนั้นมันสุ่มเสี่ยงต่อการหลอกลวง หรือต่อให้มีจริงมันก็จะทําให้คนนั้นมาสนใจปาฏิหารผู้ดงนั้นทรงต้องการให้เราชาวพุทธนั้นอยู่กับหลักธรรมนะไม่ใช่ผูกศาสนาธรรมไว้กับคนแต่ต้องการให้เราทุกคนนั้นนําพาตัวเองเข้าไปจนถึงแก่นธรรมแต่ถ้าเรานําเสนอใครคนใดคนหนึ่งเป็นอรรยบุคคลทุกคนก็จะแห่ไปหาแห่ไปหาพอคนคนนั้นมีมีอันเป็นไปคนก็จะสรัทธาสลายเป็นดลอกเป็นดลอกไปซึ่งไม่ถูกต้อง ฉะนั้นเราต้องนำพาเองไปให้ถึงแการทำไปยึดติดถือมั่นอยู่กับตัวบุคคลนะอันนี้เป็นคติที่เราได้จากเรื่องนี้เอาละยังมีอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าวันนี้สัมปทานเวลาเผื่อไปแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งอีกห้าวันก็จะถึงวันแม่ใช่ไหมพระอาจารย์ก็จึงอยากจะเชิญชวนพวกเรามาตามดูตามรู้ว่าใครกันแน่คือพระอาหารหันทรู้หรื อ, อยังรู้แล้วก็เย็บเื้องตอบ <laughs> เราจะเล่าให้ฟังเอาละนะโยมตั้งใจฟังให้ดีนะนนฐานพุทธประยาเรื่องนี้มีชื่อว่าพระอารหันต์อยู่ไหนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว o n e นานมากๆรก really long time before มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่ง was young man. อาศัยอยู่ในบ้านกระท่อมหลังเล็กๆกับแม่ผู้สูงอายุ small house with really old ดูเหมือนว่าแม่เขาจะอายุประมาณเจ็ดสิบต้นๆ <c oughs> หูตาก็เริ่มจะฝ้าฟางแล้ว สูงสันจะยากไปหูก oh, well ็ไม่ค่อยดีตาก็ไม่ค่อยดีแล si ้วอ๋อ ears eyes and nose are getting older and worse อืมสองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุข these two been together with happiness อยู่มาวันหนึ่ง one day ชายหนุ่มก็ได้รับข่าวสารว่ามีพระทุดงมาจำพรรษาอยู่บนยอดเขาไกลออกไปเขาดีใจมากเพราะว่าเขาฝันมาตลอดวันในชีวิตนี้ต้องเจอพระอาหารหันต์ตัวเป็นๆให้ได้สักครั้งหนึ่ง Because he was dreaming in his dreams that one day he will meet the enlightened one. ดังนั้นเมื่อมีค s บ o กว่าบ w h อดเขามีพระ a t there i า an า n l i g h t e n e d one on the m o s o w h e n somebody told him the news that there is an enlightened one on the mountain, he wanted to see him with his own eyes. เขาจึงเข้ o ไปล h แม่ s o h e s a i d g o o d b y e t o h i s m o t h e r แม่มีคนส่งไลน์มาให้ลูกบอกว่ามีพระอาหารหันต์มาจำภาษาบนยอดเขามามั้ม Somebody sent me a line message that there is an enlightened monk on the mountain ลูกขออนุ ญ, ญาตมไปกราบ mm hmm. พระอาหารหันต์นะมามั้ม May your son go and bow down in front of the enlightened one Okay, you may go. Er, <laughs> <laughs> uh, m mm. mm. mm. it's really far. I need to go there. I need to go there for seven days and come back seven days to reach the mountain. Altogether, it will be two weeks. Can you stay alone without me? Mẹ cũng bảo là, "Lúc ấy, "If it is the happiness o s o n when it makes you happy to go, then you should go. And mẹ đã c h u ẩ ับ ị sẵn một ít thức ăn để c ก o con ăn trên าง ờ า g so, so the. So his mother prepared food and put it in the handbag for him. <laughs> so, so the boy walked on his journey to the mountain. He passed hills, forests, and mountains. Day seven, he reached the o On the seventh day, he reached the mountain. He waited till all the other visitors, all the other 10,000 visitors, go back, so he can go there alone. t h a n slowly went to the old monk and bowed down in front of him. เขาเห็นพระรูปหนึ่งอยู่ในวัยชรามีคราวขาวโพลนวัยชรา So he saw a really old monk with white mustache and white beard ชนุมถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับเขาลือกันว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์จริงไหมครับ Old monk There are rumors that you are the enlightened one. Is that true? So the old monk scratched his beard and said, "These are only news." That's news. The truth, t h a t t h e monk is just a monk. Only small r u m o r s I am just an old monk. And I am just a normal monk, like the others, not sacred, and I don't have any magic. Oh, really? When it is like that, then I just wasted my time to see you when you're not the enlightened one. ไม่เสียเที่ยวหรอกลลกถึงแม้หลวงปู่จะไม่ใช่พระอาหารหันต์แต่หลวงปู่รู้ว่าใครเป็นพระอาหารหันต์ Boy you didn't waste your time when I'm not the enlightened one but I know who is actually t h a t enlightened one จำไว้นะลูก Remember son พระอาหารหันต์มีลักษณะสองอย่าง There are two types of enlightened ones ห สวมเสื้อเอาข้างในกลับมาไว้ข้างนอก <laughs> One type is the one where wears the T-shirt on the wrong side 2. สวมรองเท้ากลับข้าง Second wears the shoes on the wrong side เอาขวามาเป็นซ้ายเอาซ้ายมาเป็นขวา The right shoe is on the left foot and the left shoe is on the right foot ถ้าเจอคนที่มีลักษณะ2 อ, อย่างนี้ที่ไหนแล้วก็ตรงเข้าไปกราบเลยลูกนั่นแหละพระอาหารของจริง So one day when you meet this person You saw the enlightened one And you should bow down in front of him ใช้หนุมงงมาก Young boy is really confused เอาเมื่อเกาหัวเกร็กเก็ก s c r a t c h <oughs> his head <c oughs> แล้วก็ลากลับไปแบบงงง And s a y goodbye, confused เดินทางผ่านป่าผ่านดงอีกเจ็วันจึงกลับมาถึงบ้าน Walking confused past the rivers and past the wilderness เมื่อเดินเข้าเขตบ้านเป็นเวลาเย็นใกล้คํา So when he nearly reached home, it was already evening เขาตะโกนเรียกแม่ด้วยเสียงอันดัง So he shouted to his mom. แม่กําลังนึ่งข้าวอยู่ในบ้านได้ยินเสียงลูกดีใจมากทิ้งทุกอย่างเลย His mother was boiling rice and when she heard the sound of her son she was really excited. ด้วยความดีใจจึงหยิบเสื้อตัวหนึ่งเข้ามาสวมอย่างรวดเร็ว <laughs> so, because she was so excited, she took a shirt. ่ข้างนอก a ้า n นอ d อยู่ข้างใน And forgot that inside is outside. <laughs> <laughs> <laughs> and ran out the house with forgetting to wear shoes. That made her trip over stones, branches, and thorns until she felt pain. So she stepped on a glass splitter, and it hurt. s o s h e recognized t h a t s h e d i d n t w e a r a n y s h o e s s h t h a t s h t a a s h s s So she went back in a hurry and took her shoes. <laughs> so right is on the left and the left is on the right. And ran back again to her son. Two p e o p นึ m o t h r a n back a g a in the yard. t เจอกันตรง e า c h other w i t กอดกันด้วยความคิดถึง Son and mom. We're really excited and happy to see each other again. And both of them started to cry <coughs> with happiness. When God sum up o u อ warmth from the mother, finished, and then slowly pulled the hand out. We ่ o n t think about the o r e n a n ไม่รู้วนะ่าฉันจะเล่าอะ่ะ <laughs> หน้าที่ใครหน้าที่มัน <Okay. S 1> <laughs> กอเนเสร็จแล้วก็ปร่อยอ่าง uh, <and> ่ายงคุณไห After hugging, did let each other go. เลืชายหนุ่มก็เช็ดน้ำตาให้แม่ And the young boy wiped his mother's tears. แม่ลูกไม่อยู่หลายวันคิดถึงลูกไหมมัม I wasn't here for a long time do you miss me ลูกเอล๋ลูกคือแก้วตาดวงใจของแม่แก้วก็คลาส yes okay เอาไม่ได้เลย sweetheart คุณ just only my sweetheart สาธุถวายต้นน้อยเห็นไหมไม่ธรรมดานะองนี้นะถ้าเป็นอาตมาก็กลาสลูกแม่เฝ้ารอลูกอยู่ทุกคืนวัน my son I was also waiting for you day and night แม่ครับผมมีเรื่องจะสารภาพ <laughs> Mom, I have also some things to tell you. And so the s o u n g man said s o h e a b e s to his mother. About his journey, he looked at his mother's face and turned down to her chest and to her feet. แล้วก็สังเกตเห็นว่าเสื้อของแม่ข้างในมาอยู่ข้างนอกเขาก็จึงบอกว่าแม่ลุกไม่อยู่สองอาทิตย์ในแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์เลยนะมัมไว y ์ชูเสื้อตอนเดอะร็องไซไอแอมไอจัสเ w นต์เดวี่ส์ฟอร์ทูวีคส์แอ t ด์ยูสตาร์ทินทูเอฟอัล already <laughs> ดูสิเนี่ย เสื้อของแม่ทำไมสวมกลับข้างอย่างนี้ข้างในมาเป็นข้างนอกข้างนอกเป็นข้างในม why i ม it like this? Why is the shirt on the wrong side? อาทอดเดี๋ยวลูกจะสวมให้ใหม่ I take it off for you, mom, so I, you can wear it on the proper side. แล้วก็ก็ถอดเสื้อของแม่แล้วก็สวมให้ใหม่แบบที่ถูกต้อง So he took off the shirt and give it back to his mother on the right side. แล้วก็มองลงมาเลยพระถุงลงมาจนถึงเท้าก็จึงเห็นว่าแม่นั้นสวมรองเท้ากลับข้าง so <c oughs> the son looked down to his mother's feet and saw that the shoes are also on the wrong side ใชยหนุ่มก็พูดขึ้นมาว่าแม่อาการของแม่นี่ไม่ใช่แค่เริ่มต้นนะ <c oughs> นี่เอาเซมเออร์ขั้นหนักเลยนะเนี่ยมัม <c oughs> This is not only a small problem. This is actually a really big problem. What you have here, ma'am. Look. Doze. m s o e the แ h o e s are s i You have even the shoes on the wrong side. Lift your feet. Will change for you have even the shoes on the wrong side. y a v e the s t i u a the h w i You h a n e t r e You e e t w r i e h a e n t e w i h a n t o w r g i e You h a n o n g i d e y h e t o w r g i d You a n t h o the w r o n You h a t o e s y o a v e even the shoes on the r o n d e h e n the shoes w i d e y h a n t e the w r o o the o the r s a t o the a s o t h a t i t w i h a n g e So the son bowed down in front of his mother and slowly took the left shoe to the right, and the right shoe to the right foot, and the left shoe to the left foot. When he was changing the shoes, he h e a r the piglet come to touch his foot. He remembered the voice, the or the words from the old monk. Remember, boy. There are two types of enlightened ones. One, type i s w e a r the shirt on the wrong side. And s e c o n d w e a r the shoes on the wrong side. ถ้าเจอคนที่มีลักษณะสองอย่างนี้ที่ไหนตรงเข้าไปกราบเลยนั่นแหละพระอราหันต์ตัวจริง and when you meet this person you should bow down in front of that enlightened one พอเสียงของหลวงปู่ลอยมากระทบประสาทหัเท่านั้นใช้หนุ่มก็ตื่นรู้ขึ้นมาว่าอ๋อแท้ที่จริง แม่นั่นเองคือพระอรหัน And when he heard the words of the old monk He recognized that his own mother is the enlightened one น้ําตาเข้าไหลพรูพราว And he started to cry อะไรไหลพรูพราวภาษาอเกติมีแต่คลายเหรออะไรแล้วก็ก้มลงกราบสองเท้าของแม่ So he bowed down and touched his mother's feet, <laughs> and looked at his at his mother's face, <laughs> and said, m o t h e I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, ส I, I, I, I, I, I, I, วัน so far <c oughs> เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าพระอระหันต์อยู่ตรงไหน to find the actually enlightened monk แต่แล้วก็ไม่พบ what didn't meet him ผมช่างโง่เหลือเกิน I'm such a stupid person เพราะแท้ <parce que S 2> ที่จริงนั้น because <oughs> actually พระอระหันต์อยู่ในบ้านเดียวกับผมมาตลอด The real enlightened one is all the time with me in the same house. าา Mom, you are the enlightened one for me. o m you are the enlightened one for me. you are the enlightened one for me. m a a m m a a m m a a m m a a m m a a m m a a m m a a m m a a m จากนี้ไป <Yeah. S 2> ผมจะไม่เที่ยวตามหาพระอาหารหันต์ที่อื่นอีกแล้วนะครับ Mom, From this day on I will not find or search for any enlightened one เพราะผมได้รู้แล้ว because I know now ว่าแท้ที่จริง <that actually S 2> พระอาหารหันต์ก็อยู่ในบ้านเดียวกับเรานั่นเอง That the enlightened one was all the time with me in the same house พูดแล้วเขาก็โผล่เาก่อนไม่ครั้งหนึ่ง After he said that, he stood up and hugged his mom. And his mother hugged him h a p p i l y From this day on, चार। चार। the young boy is with his mother every day and with happiness. ลย a n he never thought to search for another enlightened o n เพราะเขาดูแล้วว่าใครคือพระอระหันต์ knows who one. สาธุตวายนักแปลง <laughs> อันนี้แหละท่านทั้งหลายอยากจะบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นให้เวลากับใครต่อใครเยอะแยะมากมาย แต่บางครั้งเราในหลงลืมที่จะให้เวลากับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือคนที่ใกล้ตัวเรานี่แหละพ่อเราแม่เรานี่แหละทำไมเพราะเรามองว่าพ่อเราแม่เราเนี่ยยังไม่แก่พ่อเราแม่เรานั้นเป็นของตายเจอกันทุกวันและเพราะเราคิดว่าสองท่านนั้นเป็นของตายไงเราจรึงไปแคร์คนอื่นจาได้ไหม ไปแค่คนอื่นไปให้ความสำคัญกับคนอื่นส่วนพ่อกับแม่นั้นเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรลูกๆหลายคนจากบ้านมาทำงานในกรุงเทพพ่อแม่มาเยี่ยมนี่ไม่ตื่นเต้นเลยแต่ถ้าเพื่อนจะมาจัดห้องทั้งวันครั้งหนึ่งจะมาไปเทศต่างประเทศโยมตื่นเต้นมากโยมก็เลยทาสีห้องที่จะมาจะไปพักใหม่ อาสีต่อเติมห้องเปลี่ยนชักโครกใหม่พออาตมาภาพไปถึงนิมนต์อาตมาภาพเข้าพักแล้วคืนนั้นอาตมาเกือบตายเพ <representatives of the day> ราะเหม็นสีอาตมาก็เลยถามมอโยมดูแลอาตมาดีมากนะตอนที่พ่อแม่มาเยี่ยมดูแลดีขนาดนี้ไหม <damals> مة? ก็งั้นงั้นแหละ เห็นไหมฉะนั้นอยากจะฝากพวกเราว่าถ้าเรามีเวลาให้กับคนทั้งโลกโปรดอย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่ใกล้ตัวเรานั่นก็คือพ่อของเราแม่ของเราเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ถึงวันแม่แห่งชาติถึงจะหันมาให้ความสําคัญกับแม่แม่ต้อรอให้ถึงวันพ่อแห่งชาติถึงจะหันกลับมาให้ความสําคัญกับพ่อแท้ที่จริงเราควรจะทําทุกวันนั่นแหละให้เป็นวันพ่อให้เป็นวันแม่ ตื่นมาทุกวันได้เจอพ่อได้เจอแม่นั่นแหละคือวันพ่อวันแม่เวลาที่พ่อแม่เจ็บค่าได้ป่วยก็อย่าไปมองว่าเป็นภาราต้องแบกต้องหามให้มองว่าเป็นโอกาสทองที่ลูกจะได้ปลนนิบัติพระในบ้านถ้าคิดอย่างนี้นะพ่อแม่ท่านจะมีอายุยืนแน่นอนอีกอย่างหนึ่งขอฝากไว้ใครที่ติดค้างกับพ่อกับแม่ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ในกรณีที่ติดค้างการทะเลาะเบาแหยงกัน รถร้างห่างเหินกันก็หาโอกาสไปขอค ม, มาลาโทษซะส่วนคนเป็นพ่อเป็นแม่เวลาที่ลูกหลานมาขอค ม, มาลาโทษก็ไม่ต้องยึด ต, ติดถือมั่นหรอกก็บอกว่าเอาแล้วลูกแม่ยกให้พ่อยกให้ทันทีที่พ่อแม่ให้อภัยกับลูกกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นแลวจะกลายเป็นห่วงโซ่แห่งกรรมอันยาวนานก็จะขาดผึงลงกฎแห่งกรรมนั้นก็จะยุติลงอาการนั้นแหละเราเรียกว่าอโหสิกรรม แปลว่ากรรมเลิกให้ผลฉะนั้นในวันแม่ที่จะมาถึงนี้ก็ฝากคุณลูกทุกคนกลับไปดูแลพ่อดูแลแม่ให้ดีส่วนคุณพ่อคุณแม่ติดค้างอะไรกับลูกก็ยกโทษให้ลูกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเราดูแลซึ่งกันและกันให้ดีนะทุกวันจะเป็นวันที่มีความหมายและถ้าลูกคนไหนดูแลพ่อดูแลแม่อย่างดีวันไหนที่เราดูแลพ่อดูแลแม่อย่างดีวันนั้นก็คือวันพ่อวันแม่ของเรา เพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ทั้งสองรูปก็ขอนำคติธรรมสีละอานพันละน้อยมาบอกกล่าวพวกเราผิดพลาดประการใดก็ขอาภายไว้ตรงนี้คุณงามความดีใดๆจะพึงบังเกิดมีก็ขอน้อมเป็นมารดาบิดาบูชาก็คือโยกให้แก่ยมพ่อยมแม่ของอาตมาแล้วก็ยมพ่อยมแม่ของท่าน Karen l a n ลน์และแน่นอนพวกเรามาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ขอน้อมเอาคุศสบุญเยอราศีนี้ ไปปกเกตห่มเก้วพ่อแม่ของเราทุกคนให้พ่อของเราแม่ของเราได้หายจากโรคาพยาธิสถิตเป็นร่มโผลร่มใสของเราไปตราบนานเท่านานโดยพวกกันทุกท่านทุกคนเฮอ อยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันณปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจ